บางคนอาจจะมาแต่เช้าบางคนอาจจะมาเพิ่งมาก็มีเพราะฉะนั้นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันพระไปวัดไปทําบุญไสบาตไปทําบุญไสบาตไปทําบุญรักษาศีลเรากลับแล้วทานข้าวหน้าโฆษณาอาหารที่วางไวนน้นั่นเรียกว่าของทานศีลก็รับเมื่อกี้นี่ยังอยู่คือทําบุญ ยกมือขึ้นใส่หัวนั่งตัวตรงตรงมือใต้บังบนตักมือขวาทับมือใต้หลับตาเบาๆเอาสติไปดูใจใจอยู่ที่ลมทำบุญบุญอยู่ที่ลมให้ดูลมเข้าลมออกไม่ใช่ตาเนื้อดูนะธรรมจักสุคือตาภายในให้ความรู้ ว่าลมเห็นลมเข้าเห็นลมออกนั่นแหละบุญกันนั่นแหละไปไปวัดไปทำบุญตั้งใจดูลมเข้าลมออก เคลื่อนใจหัวฟังที่นี่ได้ทำแล้วถ้าไม่ได้ฟังก็จะไม่เข้าใจเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่ฟังโดยเฉพาะวันพระเราบอกกันบอกหมู่บอกพวกชวนหมู่ชวนพวกวันพี่ชวนน้องไปวัด ไปวัดทาบุญไปวัดทารักษาศีลโดยเฉพาะศีลแปดนะเป็นวันสำคัญที่ของพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้แล้วควรจะให้ญาติโยมทำอะไรทานศีลภาวนานี่หน้าที่ของญาติโยมนะแต่หน้าที่ของพระศีล ส, สมาธิปัญญา เม่อเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ก็ฟังสินแล้วรับสินแล้วสินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อของพระสงฆ์ของโยมแช่แปดข้อบางคนยังรักษาไม่ได้ฉันจะรับสินห้ารับสินห้าสินห้าเป็นสินประจำทุกวันไม่ใช่เฉพาะบรรพนรรพต้องสินแปด กลัวจะพุทธเจ้ากว่าจะได้สิ่งธรรมมาสอนไม่ใช่ของง่ายๆหาหกปีจึงได้ตัดทารูหฮะบุญอย่างเดียวทำบุญอย่างเดียวหกปีนะทำทานเนยไม่รู้จีภพจีชาติจีกับจีกันสี่อสมไข่กับกําไรแสนมหากับแต่ทำทานก็ไม่ได้ตัดทารเลยหยุดทำทานออกทำบุญอย่างเดียว ก่อนจะทำบุญอะไรทำยังไงก่อนวงผมนะเพราะฉะนั้นเวลาพระสงฆ์บวชอุปัชาสอนอะไรเจ้าโลมานาคาดันตาตาโจผมขนไล้ฟันหนังนะให้พิจารณากลับไปกลับมาเนี่ยนี่มันเป็นของสำคัญที่ผมมันติดอยู่ที่ผมให้เสียสลระออกไปถ้าเสียสลระออกไปก็ไม่เห็นอะไรแหละ ไม่เห็นสินเห็นธรรมหรอกมันใช่ของง่ายนะทมของพระเจ้าในัตรูยากสามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหมแค่นี้ทำไม่ได้จะเห็นสวรรค์นิพพานได้ยังไงแต่เห็นผมไม่เป็นของสกปรกยังทิ้งผมไม่ได้มันก็แค่นั่นแหละปานาไม่ฆ่าเสาเขาอาทิตนาไม่ขโมยของเขา กามเมไม่ประพฤติผิดภรรยาสามีลูกของคนอื่นมุสาไม่โกหกภพลมสุราไม่ให้ดื่มเครื่องดองของมืนเมาพิกาลรโพไม่ให้รับประทานข้าวตอนเยน็นหลังจากเพี่ยงไปแล้วะตอนเป็นตอนเย็นเราถ้าบ่ายไปเราไม่ให้รับประทานอาหารนต่กีตว่า ไม่ให้ไปดูเขาควันลำธำพะโคมดิดสีตีเป่าและตนเองก็ไม่ร้องลำธำพะโคมดิดสีตีเป่ามาลาห้ามบูชาประดับประดาดอกไม้รูปไล่ของหอมอุจาสยะนามห้าสยะห้ามไม่ให้นอนนั่งภายในยัดเวยนุ่นและสำมลีภาษาเมืองไทยว่าเสือ้อ ที่นอนน่ <c oughs> แต่พวกสมัยทุกวันก็เลยเออไม่มีนุ่นไม่มีอะไรเราก็เลยมาเอาคองน้ำนะนะ่แต่พวกเจ้าห้ามก็คือนุ่นเป็นฝ้ายเป็นนุ่นแล่ <c oughs> เวเมืองเลยมันมีผ้าห่มนวมเอาไปนอนก็ไม่ได้ต้องใช้ห่มอย่างเดียวไปนอนทับไม่ได้ถ้าจะเป็น <c oughs> ใช่นี่ไง สินแปดแตกต่างกันจุดนี้เพราะฉะนั้นที่เรามารับ จ, จึงไม่ให้มีจุดทูปจุดเทียนไม่ให้บูชาดอกไม้เดี๋ยวค่านนี่ชมข้อพันสายเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยละเดี๋ยววันนี้ละประเทศไทยอะไปฟ้อนในวัดอะฟ้อนอะไรล่ะแห่เทียนแต่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไปดูเขาฟ้อนล้ำธรรมคมแต่ทาไมซึ่งอนุญาตเขามาร กระทรวงวัฒนธรรมไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือชาตทไทยเจ้าพูดทํามไมไปเอาของฟ้อนไปฟ้อนในวัดเ่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ดูนะและตนเองก็ไม่ซ่อนด้วยแต่ไม่ให้ดูด้วยทํามไมจึงทํากันอย่างนั้นกระทรวงวัฒนธรรมมีี่คนทํางานเดี๋ยวนี้ขยายไปทุกอาเภอทุกหมู่บ้านนน พนักงานวัฒนธรรมทำยังไงวัฒนธรรมถามไม่รู้เรื่อง <c oughs> เงินเดือนเท่าไหร่ติณิชิดดูวัฒนธรรมก็ว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าเอาเรื่องของโลกโลกไปผสมประเสริฐเรื่องโลกโลกฟันลำธนบคลมเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่ของทางทธรรมผิดธรรมด้วยผิดพระวินัยด้วย ก็เลยเป็นประปนีไปแล้ววิธีเจ้าไทายเจ้าพุทธวิธีเจ้าพุทธเจ้าพุทธเห็นไหมล่ะเอาชื่อพูดเจ้าไปปุยยี่ปุยยำแล้วถ้าเจ้าห้ามก็ห้ามซีใช่ไหมเจ้าพี่เจ้าไปสอนเล่นเล่น ย, อ ย, อยอ่อยๆแยะเมื่อไหรจะถึงกินมีต่ภากันไปทําบาปนะ้นคำพูดไปวัดไปทําบุญ จะนั่งดูลงหายใจก็ออกก็นั่งไม่ได้ดไมีแต่โสเลกันรู้จักไหมโสเล่ดีนะอยู่ต่างประเทศนยังดีนะเอาไม่ค่อยคุยต่างประเทศแต่ไทยต่อไทยเนะ่ะโดยเฉพาะในเมืองไทยนะ่ะปันนกอิเอียงเป็นวัดนกอีเอียงแต่เราเห้นกอีเอียงอยู่ติ ไม่มีความสงบไม่มีความสุขเลยคำของพรุทธเจ้าว่าไงสุกืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าเราอยู่เงียบๆ เ, เป็นยังไงมีความสุขไหมอยู่มากๆ ก, ก็มีความสุขนั่นช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศ า, าสนา ก, ก็คือรู้ว่าทำบุญงเงียบเข้าในท่าลาดองเงียบนะในตั้งใจนะในตั้งใจคนมีผู้ที่มีกิตติทธาละวันพระทุกวันพระ จะมาทักษาศีลทุกวันพระจะมานั่งสมาธิทุกวันพระ น, น, นั่นแหละท้าพุธทำํำแบบนั่นนะถ้าไม่นั่งนั่งโกหกตนเองอยู่นั่นแหละนั่นเาเจ้าเทยเจ้าพุตเจ้าเท้าุตแต่วันศีลวันพระไม่รู้ <c oughs> วันธรรมดาเราทําไปถึงจะทําอะไรคลองใจอะไรเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องเพลินเรื่องเพลินเอาไปเต็มที่ รับประทานอาหารถ้ามันหิวเดี๋ยวไม่อิ่มใจก็ตํามันลงไปที่ในวันพระเรามาอดลองดูที่นี่มาเทียบดูนั่นแล้วปล่อยให้กินก็แค่นั้นเวลาอดแคนนี่ก็อดไม่ได้ฉันอดไม่ได้หิวเข้าหิวเข้ามาถ้าไม่ให้มีไม่ให้เห็นไม่ว่าจะรับประทานมันก็ไม่หิวกเพราะไม่เห็นไม่มี เพราฉะนั้นวัดพอฉันเสร็จแล้วเอาหนีหมดจะไม่อะไรมาวางเหลืออยู่จิเรมจะปรุงแต่งหิวหิ ว, หวนั่นเห็นไหมละ่ะถ้าไม่มีจะไม่หิวอะไรหิวเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินโดยเฉพาะผู้มีเก่งความเก่งกลัวละอายต่อบาปนึกคิดทางใจก็เป็นบาปแล้วใช่ไหมตำลิไม่ชอบตั้งแ ท, ที่เรางดเว้นแล้วฉันจะรักษาศีลแล้วไม่มีการได้ครบด้ฉันผู้แข็งแล้ว ไม่ตั้งใจตั้งใจว่าจะปฏิบัติทำมันจะหิวตรงไหนทีนี้ถึงหิวก็ไม่ได้รับประทานเพราะเราถือศีลแล้วน่ะที่คนันหิวก็เพราะว่ามันได้รับประทานเรียกว่าหิวแล้วก็เห็นด้วยมีด้วยนั่นถ้าไม่มีหิวได้ก็ไม่ได้ทานแล้วไม่ได้ออกวัดไปไหนวันศีลวันพระแข่งในภาคปฏิบัติ เนี่ยแหะคำว่าเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราไม่ปฏิบัติจุดนี้เวลาจะตายก็เงินทองก็ใส่ลูกหลานก็ใสเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทองห่วงทรัพย์สมบัติห่วงโน้นห่วงนี้นัน่ น, นห่วงไร่ห่วงนาก็เป็นถิ่นเดียนตายไปแล้วห่วงต้นน้อยก็เป็นด้วงนั่นทำอะไรก็ไปติดหมดนั่นแหละ ถ้าไม่เราฝึกจุดนี้ถ้าเราฝึกจุดทุกวันศีนวันพระเราจเตรียมตัวโอ้ติ่ไปเราตัวเนี่ยเอาเข้าสมาธิดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นไหมเมื่อกี้นี่สบายไหมดูลมนั่นไปทําบุญก็ไปนั่งสมาธิต่างคนต่างกาบแล้วสิ่งของก็วางไว้นั่นเนะ่ะของสวาย้ามาทําพิธีกรรมให้เสร็จเรียบร้อยบางแหงก็ ตายวินตบาตอะไรหมดต้องมาสวดมนต์ไหว้พระจึงค่อยมารับสินไม่เอา <c oughs> น ะ, นะต้องให้ทําพิธีกรรมเสียก่อนเพื่อให้คนได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทํากับพระด้วยได้สวดกับพระสงฆ์ด้วยะบางคนไม่รับพรเสียด้วยฉันรีบไถ่บาทากระกลับเปิดกละบานจ่อยนเพราะฉะนั้น จึงไดให้ทําให้ได้สวดบ้างทําวัดก็ช่วงเวลานี้กลางค่ำกลางคืนมันเปลืองไฟแล้วก็มีข้อแม่อีกโอ้ยบะเห็นหวงไปลำบากเท่าแก้แล้วนั่นเห็นบารัยกิเลสพระเจะออกทางข้าอนิยมของเมืองไทยตีละครตีสา ม, ต, สามตีสีตีค้องตีละครตีปงตีอย่างนี้หมาเฮาสนั่นวันไหวอยู่ ยังเป็นเรื่องเป็นราวก็เพาะตีละครตรวจมลไม่ใช่เหรอนะ <c oughs> ดวงอาทิตย์มีไว้สําหรับกลางวันสาหรับไปทําอะไรก็ไปจิตตวัดกลางวันไม่ต้องมีไฟฟ้านีถา่ถ้าว่าไม่ห่วงเรื่องหนาวกับไม่ต้องมีก็ได้ดวงอาทิตย์ธรรมชาติมีมาแล้วแล้วยุ่งชอบยุ่งทําไมพัมีวัดยังไม่มีวัดมีไฟฟ้าผมมีไฟฟ้า เสียมันเยอะแยะสร้างควมสบายสร้างความเล่นจากฉันนําร่อนจากฉันอะไรก็เสียบปักเสียบปักนั่นเดี๋ยวนี้ต้มน้ําก็ว่าเป็นเ่ราะอัตโนมแล้วพระก็เรเพราเป็นคทำควงน้าสันกขบว่าเป็นอนาตโ น, น, <c oughs> นมจับยัดเยียดความสบายหานั่นโลกเจริญสินธรรมก็เสื่อมที่สุดเห็นไหม สินทําให้กลับมาโลกาพินาศสินทําให้กลับมาอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเพราปว่าตัวขอางนอกเป็นโลกก้อนหนึ่งกับพินาศซึ่กันแต่มิตรสางบาปคำขเขาเพื่อเจ้าตนนั่นแหละมิตรเพึ่งของตอน้นมีมิตรบาตรนี่โดยเจ้าพ่อยิ่งปฏิปบาติยิ่งไปตนตะอายหลายนี่เพื่อได้กเกามาใหา้เอามาใหา้ผล ม, มาผนเห็นบ่เพราะฉะนั้นการกอบกันฉันงให้เบรกใจบ้า บ้างโดเฉพาะที่าจาร์าเข้าภาษาแล้วไม่เบรกใจบ้างจะให้มันอีมครึ่งเดียวสันนามเยอะๆมาตายเราหรือเจ้งที่สุดกิดความเี่นมากที่สุดกัดมาสันตะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้โดจเฉพาพระนุ่มพระแนนี่แห้ะมีปัญหากันอยู่เรื่องสี่หละราคะวิธีปาฏิเรยกับพรอาหาร แต่อดมาได้แท้ก็สันตุมือก็สันตักกับเขาสันถ้าเขาไม่ต้องกินกับกันได้กินกับเหี่ยวมือก็ได้ตัวปั้นโด น, น, น, นเหี่ยวออกมากสองสามค่ำก็แล้วแท้เต็มมันถังขยะแต่ว่าต่อไหนต่อไหนก็คว่นั่นเห็นไหมเรานั่น่ะไปทําทานอาหารกายเข้าไหมเต็มโต๊ะอยู่นู่น เขาว่าไปทําบุญมันเป็นทําบาปให้พระเกิดกิเลสบางคนจัดถ้วยไสจานให้ น, นมันก็เสริมกิเลสให้พระเห็นไหมล่ะฉันก็ไม่หมดเป็นเกิดความโลภโลภโภธธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายไม่ได้ย่างกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสมีแต่ปล่อยตามใจปล่อยตามใจเหลือเฟือนั่นเห็นไหมล่ะ เอ ม, มาเราได้เป็นไฟเพื่อความโลภนะหลายอย่างนั้นผูเด็เอามากินบ่หมดจะเอามาอีกทเที่ยวเตือนอยู่ตัวนะ <c oughs> พ่งนี้มือเลื่นนี่นี่ยังไม่ได้เข้าภรษาพุ่งนี้เข้าภรษาตอนเย็นะจะให้โยมตักใส่อาหารพร้อมเข้าใจไหม ไม่ต้องมาใส่ถ้วยใส่จานตักใส่อาหารพร้อมทั้งข้าวเลยถ้าพอฉันแล้วพระก็ปิดบาตรแนวเยอะหรือยังไม่พอฉันก็ได้นิดหน่อยก็พอแล้วปิดถ้ายมโกรธให้พระยมบาปพระพอแล้วจะไป บ, บังคับพระฉันทำไมบังคับให้พระเอาทำไมชดเชย อยู่ว่าเรายัางเดินเดินมิตรบาทนี่ไม่เดินแต่ น, นั่งอยู่เฉยๆจ้าให้ผมกินหลายรากิเลสขากิเลสนั่งยืดอสือ้อตัวนั่นหาอาหารในใจเล่กเข้าที่ทำสมาธินั่นจิตมันจะนิ่งถ้าเราบังคับได้ด้วยการมีสติทุทกเวลาไม่ใช่ว่าไป น, นั่งสมาธิ เรื่องอื่นกิเลสท่วมไปหมดแล้วมันก็อยู่เฉพเวลานั่งมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าเราบังคับทุกเวลานั่นไม่ประมาททุกเวลาเราก็บังคับใจทุกเวลาี่ฆ่าทุกเวลาต่อยมันทุกเวา่าตีทุกเวลาฟันกิเลสฟันทุกเวลาเผือไม่ได้ แล้วไม่กล้าหารจุดนี่ผลสุดท้ายก็รละและละและแล้และไปคือเขาไปนั่งก็โอ้ยนั่งมาได้เห็นบปล่าหรอเจ็บแขนเจ็บขา <c oughs> อยากให้เข้าใจเขามาไปวัดทำบุญในเทศาการเขาบรรษาเขาในสลาศีพบเเว่ศีพอบากนั่นได้ขอเดียวหรือจะขอนั่นก็ไข่ดิ เป็นเรอสัจจะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้พระสงฆ์มีสัจจะคือไม่ได้ไปไหน <c oughs> ในสามเดือน <c oughs> อยากให้เข้าใจทำบุญนะนั่นแหละทำบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ยืมโลกมาใช้รู้จักไหมอะไรของเรียนโลกนี่ดินน้อะไรดินในตัวของเราธาตุดินธาตุน้ำของเหลว ธาตุดินของแขวแข็งธาตุลมลมพัดไปพัดมาธาตุไฟคือความอบอุน่นน่ะของคุณพ่อคุณแม่ธาตุใจทิน่ถ้าไม่มีใจก็แปลว่าคนตายละทินี่เห็นไหมแต่เราก็ไม่ค่อยดูใจไปดูแต่ร่างกายไปวัดไปทำบุญือคือไปดูใจไปแต่งใจไปรักษาใจไม่ให้วุ่นวายวัด ได้ยินไหมคําว่าวัดวัดเตือนให้ใจเรารู้ว่าวัดนะวัดกายได้กาบวัดวาจาทมีนาศกาเรียนละสองสามคำวัดใจดูลมเข้าลมออกถ้าอยากคุยกันก็ออกนอกวัดดิ่งดีถ้าอดไม่ได้จริงๆออกนอกศาลานะยิงไปคุยกัน <c oughs> คําของพระเจ้าไว้ฝากเสชาสินไว้ตีนตุกต้นไหม่ พูดมากสินขาดรูด้จักไหมสินคําว่าสิน่ะไม่ใช่ของง่ายๆนะละเอียดนะสินทรรมถ้าเราเนินกับว่ารักษาสินรักษาจังหดมันม่วนมันคุวยเหรอละเอียดหนะ้าที่พูดเจ้าข้ามสองรอยยี่เจ็ดข้อเอาไปดูไปแปลดูถือแต่ละข้อแต่ละข้อ ถ้าไม่เน้นหนักอยูดีมันก็ไม่เกิดสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญานะละเอียดนะศีล ส, สมาธิปัญญาศีลการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารภายนอกก็คือตัวของเรารอบรู้รว่าร่วมแยงของเฮอดินน้าล้มไฟเป็นของคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราเคยใจ นี่มีความรอบรู้เลยแล้วก็รู้บาปรู้บุญเห็นไหมรู้สวรรค์รู้นรกเราดูเมื่อกี้สวรรค์ในอกนรกในใจตวยใหญ่ใหญ่นรกร่ารวยกับสวยงามยามกันทุกวันทุกวันเอาไปคิดให้ละเอียดนะร่ารวยเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์สวยงามเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ลมหายใจเขาออกเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ไม่ต้องไปถามใครให้ยุ่งยากถามใจของเรา ใจของเราไม่รู้ก็เพราะเราไม่ดูใจไม่ดูล้มไม่ดูไม่เห็นไม่รู้น่ะไม่ได้มีสติปัญญาตรงไหนตัเนี้ก็คุกคีอยู่ยกับนรกเห็นไหมเสียงเครื่องปืนเสียงรถปืนวันปืนวันหยุดไม่ใช่อยากรวยเหรอดรวยแล้วเอามาทำอะไรมาปรุงมาแต่งให้สวยให้งามถึงกับ ผ, ผมขนเล็บฟันหนังได้จ้างเขาทำมดทุกวั น, น แถวดีๆที่หน่อยว่นวานหัวออกมากโว้ยลด้อาจะคือเข่าหักแต่น้อเอาไปมาก็ไปแต่ละเดือนไปรักษาฟันปวดฟันปวดฟันฟ น, นั่นเห็นไหมเราเอาโรคมาสู่ตนเอง <c oughs> ผมเหมือนกัน่ะเดี๋ยวก็หัวศีรษะหนังศีรษะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นโรคนู้นโรคนี้ก็ไม่รู้วเอาสีอะไรตอนเราไปพ่นเข้าไป เล็บเหมือนกันไม่ว่าเป้เล็บคนตายแต่มาปลอมใส่กับมีดเรากว่าต่อเล็บเปล่าเล็บมือดจากของดีๆว่าเอาต่อเล็บเปล่าราคาเต่าไหรก็ไม่นู่เล็บเดียวสามสีสี่สีเดี๋ยมืดเล็บหนึ่งสีแดงเล็บหนึ่งสีเหลืองเล็บหนึ่งสีถ้าเอาธรรมะมาแปลนะยังไม่ตายเป็นบ้าแล้วนะ ที่ดีเครื่องเล่นเครื่องหัวเครื่องเพิดเครื่องเอยกระดยางไปไหนเส้นไหนลูกด่านโอ้ยไปนั่งตรงไหนก็ไม่สนใจเรื่องคนอื่นเลยลปิดหูวไว้แล้วก็เอาดูไปเล่นไปดูไปเล่นไ ป, ไป น, ไ, ปไปนั่งตรงไหนก็เล่นอยู่นั่นยังไงล่ะเขาก็ว่าความสุขความสุขนะสุขเพราะความเล่นเรื่องของกิเลสอามิตรสุคมันสุขชั่วข้าวนิลาหมิตรสุขในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้า มั่นคือความรักความโลภอยู่างรหัวใจนะั่นแหละถ้ารู้ความรักความโลภเป็นบาปเป็นนรกแล้วจังอื่นค่อยเบาบางไปเพราะรู้จุดใหญ่แล้วรู้ตัวเกลียตตัวใหญ่แล้วนี่เราไม่รู้คุกคีอยู่กับนรกแล้วก็ร่ำรวยมีความสุขสวยงามมีความสุขอยู่นั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็ผัดผักจากไปเขามาดีไม่มาส่งทะเลาะกันเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่บางคน นาตาก็บม่ได้ล่างผมตัวแจ่นนึกเปลี่ยนแจ่นขนตาโลนวันี้ประเทศไทยปีแล้วหลวงพอ่อวันใดยังใจหลวงพอ่อขี้ฝุ่นมันเยอะไปไหนมาไหนก็ได้ปิดจมูกปิดดังเออแต่งดังมากว่าได้โชว์ดังขักบอ <c oughs> คือถือใจหลวงพ่อแต่ว่าปีนี้ว่าแต่แต่งดังมากเปนแฟนว่าได้โชว์ดังหลบปิดดังไว้ ไม่บอกเอาแฟนของใครว่าพระบนอะไรพระเทศกับว่าพระบนเนี่สามีก็พระญ า, าบนน่กันเป็นว่าสามีเทศพระญ า, าเทศยจ้งกว่านี้เรื่องอนาจ ด, ดุงก็ศลนอกต น, นโยกโยกหลานจาติพี่น้องได้เสียสละมาทำทานก็ดีรับถิ่นก็ดี จเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลองคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรคุณพระสงฆ์ในสิ่งทักดสิทธิ์สิ่งร้ายจึงในส า, นากลนรกกันดีก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักษ์ภาษาอมพลได้รวมลูกหลานแด้ตีพี่น้องจงมีความสุขความเจริญสุข ก, กายสุขใจใาจากทุกโศกโลภภัยก็ทนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงฝ า, ากันตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีดวงจิตดวงใจแต่เห็นศีลเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เทิดอะเบโลอาเวนิโม ตตเตตานาปุญาจักขตาุรารามารัิคนามโนปเดนาโอเมยิุญญาปโตตังอนัปกันติบาวตุจาปังังการ